บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในส่วนของจิตตานุปัสนาสติปฐานคือการตั้งสติตามมลึกรู้จิตของตนตามที่ทรงแสดงไว้นั้นประเด็นสำคัญในการประพฤติปฏิบัติ ก็คือให้รู้จิตของตนตามความเป็นจริงในแต่ละขณะเพราะในง่ายของความเป็นจริงแล้วจะพบว่าจิตหรือพูด ง, ง่ายๆว่าความรู้สึกนึกคิดของคนเราแต่ละคนนั้นในแต่ละขณะจะมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นการคิดในเรื่องเดียวกันก็ตาม แต่วความเข้มข้นของกระแสความคิดที่เกี่ยวกับกุศลก็ตามอากุศลก็ตามจะมีความแตกต่างกันแล้วก็พร้อมที่จะเบี่ยงเบนออกไปอีกฝากหนึ่งของกระแสความคิดก็นี้พึงสังเกตจนเรากําลังทําความเพียรพยายามเพื่อทําจิต เราให้สงบอยู่ในขณะนั้นในขณะนั้ น, น, น, า น, นอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานศึกครจะใช้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่สรุปว่าตัวอารมณ์ก็เป็นกลางๆหรือว่าเป็นกุศลหรือบางครั้งอาจจะเป็นอกุศลก็ได้เจตนายากของการพิจารณาเรื่องนิวรณ์ แต่ในขณะที่จิตกำหนดระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั่นเองธรรมะที่เป็นกุศลซึ่งเข้ามาช่วยเหลือคือสติสัมมาจัญญาและความเพียรก็อาจจะเบี่ยงเบนออกไปสู่เรื่องอื่นได้สัมมจัญญาซึ่งเป็นตัวของปัญญาอาจจะกลายเป็นความไม่รู้ไปก็ได้สติอาจจะขาดก็ได้ ความเพียรอาจจะหายไปเป็นความเกลียดคร้านก็ได้และในตัวความเพียรเองก็มียิ่งมีหย่อนในแต่และช่วงไม่เหมือนกันสติสัมปชัญญะที่เกิดอยู่นั้นเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมียิ่งมีหย่อนที่ทรงใช้คําว่ามีอยากมีกลางมีละเอียดปรากฏอยู่บางครั้งสติระลึลกรู้อยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานเป็นไปได้ดี จะมีความผ่องสายปรากฏขึ้นภายในจิตแต่บางครั้งสติก็แวบออกไปข้างนอกเป็นลำพังสติเองแต่บางครั้งก็แวบไปข้างนอกจากมีอารมณ์มากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางโสตประสาทอยูป่ประสาทหูบางครั้งก็แวบออกไปข้างนอกด้วยความตรึกนึกของบุคคลนั่นเอง บางครั้งก็อาจจะแป บ, บออกไปเพราะความปวดเมื่อยเพราะเสียงเพราะยุงกัดเป็นต้นซึ่งแสดงเห็นว่าการเบี่ยงเบนของจิตออกไปข้างนอกอารมณ์อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกก็ได้และ ป, จจกกปัจจัยเหล่านั้นอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้การกระทำของบุคคลอื่นก็ได้หรือเป็นลักษณะทาง สุขภาพทางอารมณ์ของบุคคลก็ได้แต่ในชั้นจิตตานุปัสสนานั้นจะส่งสอนให้บุคคลรู้ตามความเป็นจริงที่จิตปรากฏในขณะนั้นๆั้นคือถ้าพูดได้ถูกแล้วก็คือการที่จิตถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกในขณะนั้นๆดัง น, น, นั้นจึงทรงทายกันว่าเมื่อจิตมีราคาก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคา แต่คานั้นเป็นพวกกิเลสเมื่อเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะบังคับใจให้สายไปในอารมณ์ที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่นะปรารถนาน้าพอใจอาการสายไปอาการเลื้อยไปอาการแล่นไปของจิตนั้นบางครั้งจะเป็นไปแรงที่ทรงใช้คำเสือกสายไปมันคล้ายๆจะมีคนพรัก ทำให้จิตสูญเสียการส่งตัวมีความนึกคิดในลักษณะที่รุนแรงน่าหวาดกลัวซึ่งอนนี้ผู้พิจารณาดูจิตจะเคยสังเกตเห็นจิตของตอนว่า บ, บางขณะความคิดน่ากลัวรักเกินหากว่าทำไปตามนั้นจริงๆก็คงจะวุ่นวายกันใหญ่แต่พอดีความคิดส่วนหนึ่งซึ่งมีจำนวนยู่มีจำนวนมากนั้น เราหยุดไว้ได้ที่ความคิดแต่นั้นเองแต่บางกลายเป็นรอยช้ำภายในใจของคนที่พร้อมจะรับเชื้อจากข้างนอกแล้วก็เกิดขึ้นมาได้หรือพร้อมที่จะกำเริบขึ้นมาภายในแล้วก็สร้างความกระสับกระสายเกิดขึ้นภายในจิตได้ในกรณีนี้ทรงสอนคือถ้านในกรณีของกิเลส ส่งสอนให้พิจารณาขินความเป็นโทษของความคิดในระดับถนัดนั้นสนใจคาที่ออกจะชัดเจนว่ามองเห็นความเป็นโทษโดยความเป็นโทษก็ออนี่ผมสังเกตว่าในในแง่ของการประพฤติปฏิบัติจริงๆนะสิ่งทั้งหลายที่เป็นโทษเป็นนันมากคนมองเห็นว่าเป็นโทษหรือบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นโทษ แม้ในกรณีที่รู้ว่าเป็นโทษก็ไม่รู้โดยความเป็นโทษที่แท้จริงประการรู้โดยความเป็นโทษนั้นจะต้องลดละสิ่งเหล่านั้นได้จะ ต, ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเจ่นรู้ว่าไฟร้อนก็ไม่จับไฟเล่นรู้ว่ายาพิษเป็นอันตรายก็ไม่เกี่ยวข้องกับยาพิษรู้ว่าการคบคนชั่ว จะนำตนไปสู่ความเดือดร้อนก็ไม่คบหาสมาคมคนชั่วเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงในระดับนั้นนั้าโครงสร้างของความรู้ที่มีผลตรงตามเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในระดับใดก็ตามเต่ขอยมองความรู้ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ให้เห็นไปก่อน สงใช้คำบาลีว่าวิมุตติญาณัศนวิมุตติก็คือจิตหลุดพ้นจากกำนาของกิเลสญาณก็คือความรู้ทัศนะก็คือความเห็นอันเป็นการแสดงเห็นว่าความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตแล้ว ทำจิตของตัวในหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านั้นในชั้นที่สมบูรณ์เป็นเรื่องของพระอรหันต์ทั้งหลายในชั้นที่ลดหลั่นลงมาก็กลายเป็นพระอริยระรยบุคคลในระดับต่างๆแต่ละท่านที่จริงท่านมีความรู้ความเห็นที่มารู้เห็นไปแล้วจิตใจก็งท้านก็หลุดพ้นจาก ความชั่วเหล่านั้นที่จากกิเลสเหล่านั้นในระดับที่แตกต่างกันแต่ว่าถือว่าจุดใดก็ตามที่ท่านหลุดพ้นแล้วก็เป็นความหลุดพ้นด้วยดีที่ท่านเรียกว่าเป็นการหลุดพ้นโดยไม่กำเริบอีกต่อไปทำนองคล้ายๆรักษาโรคหายขาดอาการของโรคจะไม่กำเริบอีกต่อไปแม้จะไปรับเชื้ออะไรมาบ้าง โรคก็ไม่ตร้มเริวแต่ในกรณีนี้ใช้ได้เพียงอุปมาเท่านั้นเองเพราะในแง่ของความจริงแล้วโรคที่เราคิดว่าหายขาดอาจจะหายไม่ขาดก็ได้เมื่อไปได้รับเสื่อมามากข้าวก็อาจจะเกิดขึ้นอีกและอาจจะรุนแรงกว่าเดิมได้แต่ว่าจิตใจของท่านที่ละกิเลสไปนั้นจะเป็นการละได้โดยเด็ดขาด การปรฏิบัติของบุคคลในระดับที่ลดหลั่นลงมาจากพระอริยบุคคลก็จะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันคือตัวความรู้ความเห็นถึงอาการของจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสในขณะนั้นๆจะต้องสามารถลดละบรรเทาผ่อนคลาย ความรุนแรงก็กระแสะความคิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความไม่ส ง, งบความไม่หลุดพ้นความไม่ตั้งมั่นอำให้ทร ง, งแสดงไว้เป็นคู่คู่คู่คู่ในกรณีของกอกุศลจะทรงสอนในรูปของการห้ามจิตก้ามจิตบันเทาจิตคลายจิตจากสิ่งที่ผูกมัดระจึ อาการเหล่านี้ที่เกิดเป็นอาการของกิเลสเราจะเห็นว่าอย่างความสึกนึกแล้วก็บรรเทาความสึกนึกที่เป็นอกุศลแต่บางทีความรู้สึกเหล่านั้นมันปลูกมัดรัดรัดึงใจเอาไว้บ้างถ้าก็ใช้คำว่าคลายคือผ่อนคลายอาการรัดคืออย่างน้อยก็ให้แน่นน้อยลงหน่อยแต่บางครั้งท่านใช้คําว่าขัดเก่าซึ่งหมายความว่า สิ่งเหล่านั้นจับจิตจนจิตมันแปดเปืเป้อ น, นไปได้ก็ยามขัดเกลาวออกไปจากจิตไปเรื่อยๆซึ่งก็สแสดงว่าถ้าทำได้อย่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างน้อยก็ในขณะนั้นๆแลวเมื่อเราสามารถทาให้หลุดพ้นได้โอกาสต่อไปจะทำแม้จะเกิดขึ้นอีกก็ทำให้หลุดพ้นได้ง่าย เพราะนี้เราสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราเคยลดละมาได้ในโอกาสหนึ่งอาจจะหวนกลับไปสู่อำนาจของสิ่งเดียวนั้นอีกแต่เมื่อมีเหตุผลสติปัญญาเกิดขึ้นมากพอก็จะอาศัยบทเรียนในอดีตสองประการมาเทียบเคียงกันคือในช่วงที่ตนตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นกับช่วงที่เป็นอิสระจากสิ่งเดียวนั้น แด้ใจเห็นว่ามีการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของของเราไม่เหมือนกันยามที่ตนได้ดุดพ้นจากอํานาจของกิเลสอานาจอารมณ์ดอนนั้นรู้สึกว่ามีความสุขความสงบมากกว่าปกติแต่ยามที่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นยอมสยบต่อสิ่งเหล่านั้นมีความเร่าร้อนมีปัญหามากกว่าปกติหนอมาเทียบเคียงกันแล้วก็จะกลับสู่พื้นฐานที่คนรักสุขไม่ต้องการความทุกข์ การดิ้นรนในชีวิตของคนถ้ามองให้ซึ้งแล้วจะพบว่าเกิดดิ้นเพื่อหนีทุกข์เพื่อสวยงาความสุขเมื่อปัญญาเกิดประจากแก่จิตมองเห็นความเป็นโทษชัดเจนที่สงสัยกำว่ามองเห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษชัดเจนได้โอกาสที่จะเลิกละมันก็มีได้แต่บางคราวเป็นเรื่องกําลังของกุศลและกุศลแก่ปก ว, วัดโวเวียงกัน พฤติกรรมของคนก็ขึ้นขึ้นลงๆได้อาจจะทำดีได้อาจจะทำให้ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะต้องใช้ความพยายามกันต่อไปในส่วนของพวกกุศลธรรมทั้งหลายที่ทรงใช้กับว่าจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะมีความตั้งมัน่นมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตใจหลุดพ้นเป็นเด่น ตัวนึงจิตเป็นมากกัตตาคือจิตเป็นใหญ่เนื้อํานาจกิเลสในขณะนั้นๆั น, นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเช่นเดียวกันเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงก็ต้องทำใจของตัวในหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสซึ่งให้สังเกตว่า แม้ว่าจิตเราจะหลุดพ้นจากราคะในขณะนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการหลุดพ้นติถาวรหลุดจากโทสะได้ในขณะนั้นก็ไม่จะหลุดพ้นติถาวรหลุดจากโมหะหลุดจากความฟุ้งซ่านเป็นต้นก็ไม่จะหลุดพ้นติถาวรอะไรแต่ในช่วงที่ใจเป็นอย่างนั้นอยู่อกุศรก็เกิดขึ้นปรุงใจไม่ได้ก็แสดงว่าใจก็หลุดพ้นจากอานาจของกิเลส ในการสอนสองแนวนั้นเป็นสังเกตว่าแนวแรกนั้นคล้ายๆกับพื้นเปือเป้อนเราก็เช็ดสิ่งที่เปื้อนออกไปแต่แนวที่สองนั้นก็คือแนวรับประทานยาในรับประทานอาหารหมายความว่าตัวอาหารตัวยานั่นเองจะทําหน้าที่ขจัดสมุทรฐานของโรคและอาการของโรคให้สงบลงไป ซึ่งโดยผลของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็จะรับความสุขรับความสะอา ด, ดรับความสงบเกิดขึ้นคือทั้งสองแนวว่าจะสอนในแนวละกิเลสหรือว่าในแนวของการประพฤติปฏิบัติธรรมะ ก, ก็ตามแต่เนื่องจากเนื่องจากขนาจิตแก่เป็นไปเร็วเพราะการระมัดระวังจิตในแนวนี้ที่จะไม่ให้ฝ่ายกิเลสแกแทรกซ้อนเข้ามา สติสัมปชัญญะความเพียงของบุคคลก็ต้องหลายไปอย่างต่อเนื่องข้อนี้ลองสังเกตว่ามันทำทำนองกระแสน้ำที่ไหลเะนน้ำใสที่ไหลไปจะทำอย่างไรจะไม่มีน้ำขุนข่นค้นเข้าไปแทรกในช่วงนั้นเราก็ต้องตามดูบนเส้นทางที่น้ำจะไหลไป ว่ามีโอกาสไหนบ้างที่น้ำขุณน้นจะแทรกเข้ามาแล้วก็ปิดกั้นตรงนั้นเอาไว้ปัจกัรไหลไปของใจในกระแสของกุศลเป็นปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะมีความส ง, งบไม่ฟุ้งซ่านหลุดพ้นจากอหนาจของกิเลสเป็นต้นในระดับสามัญราะคงจะมีตัวแทรกอยู่ยยเรื่อยๆเพราะเวลาดูจิตในช่วงนี้ก็ต้องดูอย่างระมัดระวัง ไอ้ตัวที่จะแทรกซ้อนเข้ามาได้ทรงอุปมาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่ามันเหมือนกระรบรกประคองบาทที่เต็มโดยน้ำมันคือน้ำมันนั้นอยู่เต็มบาทจะประคองอย่างไรไม่ให้น้ำมันนั้นหกจากบาตจะพราะว่าตัวน้ำมันเองก็ออกจะมีปัญหาเพราะเกเต็มนะเกินแต่ในขณะเดียวกัน บนเส้นทางที่เราเดินไปนั้นก็อาจจะสร้างปัญหาให้แกเราหรือบางทีอวัยวะมือเท้าของเราะจะมีปัญหาบางครั้งประสาทส่วนอื่นเช่นในขณะเดินไปเกิดสะดุ้งหรือเกิดมองเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดไปสนใจในรูปหลนั้นข้าวนํามังจะหกได้ทั้งหมดเลยแต่นั้นความพร้อมในด้านต่างๆที่ทรงแสดงไว้ ในเรื่องของสัมพันธัญญาที่แป ล, ปลว่าความรู้ตัวหรือความรู้ทั่วพร้อมพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่เรียกว่ารอบคอบคือระมัดระวังโดยรอบคอบให้บุคคลรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการจะในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือเกื้อกูลต่อการประคองน้ํามันไป เพราะการประคองจิตใหอยู่ในกระแสของกุศลได้นานๆนั้นจะเห็นว่าประคองได้ยากมากไม่ว่าประคองให้อยู่ด้วยระดับเมตตาระดับกรุณาระดับมุติตาระดับสมาธิระดับปัญญาหรือระดับธรรมะเหล่าอื่นระดับพีริโอตปะเหมือนกันทั้งนั้นเรวประคองยากมันอยู่ไม่นานเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปนั้นเยอะมากเลยเดียวก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายาม ต้องพยายามหัดประคองไปเรื่อยๆหัดทาไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ยเพิ่มเวลาขึ้นถึงแม้จะร้อนก็ยร้อนน้อยลงซึ่งในการสอนธรรมะในแนวนี้พึงสังเกตว่าจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันจะมบุคคลบางคนที่ไม่สามารถจะทำได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะทำได้ ที่ทรงแสดงว่าคนเป็นส่วนจํานวนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งได้คนส่วนใหญ่มันก็ต้องล้อลอกฝั่งไปทีนี้เอาแหละในกรณีที่เขาต้องล้อลอะฝั่งไปเนี่ยทำอย่างไรจึงจะเสี่ยงต่อการจมลงไปในกระแสน้ำน้อยลงก็จะทรงสอนในรูปของมีที่เกาะมีที่ยุดเหนี่ยวมีหลักประกันที่อย่างน้อยก็ช่วยประคับประคอง แม่ตกลงไปสู่กระแสน้ำหรือจมหายลงไปเลยเคย อ, อยู่ได้านานๆานหน่อยถ้าเราเหยียดในช่วงนี้ออกไปจากช่วงสั้นๆจนถึงช่วงยาวๆกลายเป็นสังสารวัตรโ ด, ดยจะเห็นว่าอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ขยายออกไปเท่านั้นเองสงสอนในดับศีลมันก็ลดความรุนแรงของกิเลสไว้ในดับ สำหรับการสัมผรมระวังอินทรีย์ก็เป็นการลดความรุนแรงลงไปอีกระดับหนึ่งสอนในลักษณะความเพียรอย่างต่อเนื่องที่สนใช้คําว่ามีความเพียรเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เป็นนิดคือระมัดระวังตัวอยู่เป็นนิดจิตก็จะสามารถสงบจากกิเลสได้เร็วขึ้นและทรงสอนระดับสมาธิระดับดูจิต เราจะเห็นว่าแม้อกุศลเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันเราก็ผลักทันตํานองใกล้ยๆกับเราเดินไปท่ามกลาง ก, ก้อนอิดก้อนกรวดอะไรแต่ๆต่างๆที่เขาขว้างปามาเนคือถ้าเรารู้ทันเราก็หลบทันมาที่อาจจะหลบไม่ทันแต่ปักเอาไว้มาทีอาจจะผลักไม่ทันก็ะทบแต่ก็ะทบไม่เจ็บเท่าไหร่คือหมายมความว่า ทำยังไงจึงจะให้มีโทษน้อยลงแล้วก็ใช้ไปด้วยวิธีการต่างๆโดยบายวิธีต่างๆแต่ประการสาคัญคือต้องรู้ทันในขณะนั้นๆพอไปถึงกุศลก็ทารองเดียกันทำยังไงจึงจะพระกรับประคองอยู่ได้นานๆซึ่งบางครั้งคนเก่าคนแก่ในะสมัยโบ ร, ราณนะแต่ก็มีแนวังท่านเรเรียกว่าแนวฝึกปลือจิตใ จ, จตัวเอง ท่านใช้คาแนวดัดสันดานตัวเองเจ้นท่านมีไม้คะแนนเอาไวก้ก็วันตอนใดขณะใดที่ท่านรู้สึกโกรธท่านก็เอาเม็ดถั่วอะไรเป็นต้นไปใส่ไว้ในภาชนะที่ท่านกาหนดไว้โกรธทุกครั้งใส่ไว้โกรธทุกครั้งใส่ไว้พอถึงเดือนขึ้นมาก็เอามานับทีหนึ่งตีตามวันได้ยี่สิบมันก็ลงโทษตัวเองได้โจทย์ตัวเองได้ ทีจจะนาตัวเองได้ว่าอยู่ยังไงโกรธเดือนทังยั้ง20ครั้งเดือน30สิบวันแสดงว่าไ ม, ไม่โกรธอยู่0ิวันเท่านั้นเองถ้าเป็นนักเรีย น, นก็สอบตกลักท่านก็ต้องพยายามควบคุมแล้วลดเม็ดถั่วนั้นลงมาอาจจะเหลือสิบเก้าบปบเจอาจจะเหลือรวดเร็วลงมาก็ได้ซึ่งเราเห็นว่าเอาไว้จริงๆแล้วทำโดยวิธีนี้จิตมันก็อยู่ด้วยกุศลสูงขึ้น อย่าน้อยที่สุดความโกรธก็ครอบงำใจเราในช่วงระยะเวลา30ิวันนั้นก็ครอบใจเราได้น้อยลงโดยดังๆับจนถึงอาจจะโกรธเดือนละหครั้งก็แสดงว่าสอบผ่านแล้วในการดำรงชีวิตสุขภาพจิตก็ต้องดีขึ้นกว่าที่โกรธตั้ง20ครั้งก็เป็นการพยายามปฏิบัติขัดเกลากันโดยนาย น, นี้เพราะแนวธรรมะทางศาสนานั้นผู้สังเกตว่า เป็นการสอนพุทธศาสนิกในแนวที่นักศาสนาท่านจำแนกศาสนาในโลกเอาไว้เป็นตามประเภทสำหรัศาสนาบางชนิดนั้นศาสนิกอยู่ในฐานะของลูกแมวคือแม่ฆาบไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆศ า, า, าสนาบางศาสนาศาสนิกอยู่ในฐานะเหมือนกับลูกลิงแล้วก็แม่อุ้มไปเหมือนกันแต่ว่า เกาะคอแม่ไปด้วยคือใช้ความพยายามด้วยตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าศาสนาพุทธนั้นมีศาสนิกมีลักษณะเหมือนลูกเต่าหรือลูกจระเข้ที่แม่ลูกตาพาดอ่ะแม่วางไข่เอาไว้แล้วก็ฟักด้วยตัวเองแล้วก็ทําลายกระเปาะฟองมาด้วยตัวเองแล้วก็คลานลงไปสู่ทะเลแม่น้ําด้วยตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูตัวเอง แม่ก็มีหน้าที่เพียงวางไข่ไว้แล้วก็กรบไข่ไว้เพื่อไม่ไม่มีอันตรายเท่านั้นเพราจากโครงสร้างหลักเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเน้นไปที่การคุมตัวเองมากกว่าจะให้คนอื่นเขาคุมอยากในทรงแสดงให้สํานึกไว้ในตอนต้นๆว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนจงพิจารณาตนด้วยตนแล้วก็ตักเตือนตอนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตน แล้วก็ลงโทดตนด้วยตนอย่างแนวของการหักคะแนนตัวเองอย่างที่ว่ามานั้นเราจะเห็นอาการของปัญญาของสติของสํานึกที่ดีงามซึ่งสามารถโจทวงตัวเองได้ดูแลคล้ายๆจะเป็นเรื่องง่ายนะจริงมันยากประทวนกระแสพื้นฐานความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลมีลักษณะรักตนถนอมตนและปกป้องตน แก้ไขแก้ต่างให้ตนได้เสร็จออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากแต่บัณฑิตนั้นจะต้องพิจารณาเห็นโทษของตนแล้วแก้ไขโทษนั้นด้วยตนของตนเองนั้นพ อ, พอมาถึงระดับจิตเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีใครรับรู้เราเลยเพราะขณะนี้เราคิดยังไง ที่เราเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลนี่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ของเราเองรู้ก็เราเองว่าผลทั้งดีทั้งไม่ดีที่เกิดขึ้นด้วยกุศลอกุศลในแต่ละขณะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะได้รับด้วยตัวเองมันก็ในโครงสร้างเดียวกับกฎของกรรมอย่างที่สวดสาธยายกันว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นต้นเมื่อกิเลสบางเกิดขึ้นจิตเราก็เศร้ามองเอง ก้าร้อนเองคูณมัวเองสะสมเชื้อของกิเลสได้เพิ่มขึ้นมาภายในใจตนเองคือไม่ได้เพิ่มในใจคนอื่นเวลากุศลมังเกิดขึ้นเราก็พองผ้าวเองเรากส็สะอาดเองเราก็สงบเองเราก็เยือเกเย็นเองในจุดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นกรรมครบวงจรเสร็จในช่วงขณะของความคิดนั้นก็เป็นกรรมผลเป็นความเย็นเป็นความร้อนนั้นเป็นผลของกรรม และความเย็นความร้อนนั้นก็ของใครก็เป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทั้งทั้งหมดทุกระดับเป็นเรื่องที่สอนอยู่ในโครงสร้างเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะสอนกันในระดับไหนจะพูดกันในระดับไหนจะให้ประณีตตึกซึ้งอย่างไรเท่านั้นเองดังการดูจิตในแนวนี้หรือแม้แต่ดูตรงอื่นก็ตาม บุคคลจะต้องมองไปที่ตัวโครงสร้างใหญ่ที่้องใช้คำรวมๆ ว, ว่าวิมุตติยานัทสนะเป็นความรู้ความเห็นที่ทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้มีพระอาหารหันต์เป็นยอดคือจุดสมบูรณ์นั้นหมดแต่ในทางปฏิบททัติลดหลั่นลงมาก็หมายความมาต้องลดได้ในแต่ระดับ อาจจะเป็นท่านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสาสิบนาทีเป็นต้นก็ลดไปได้เรื่อยๆจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวรในระดับหนึ่งระดับสามัญจนที่เราเรียกคนดอนนั้นว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นผ่านความเป็นผ่านความเป็นบัณฑิตบัณฑิตนั้นก็คือจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสอย่างต่อนเนื่องจนแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นอาการคนผ่านเราก็เรียกคนอนนั้นว่าเป็นผ่าน แต่ถ้าเราดูที่จิตจริงๆแล้วหมายความว่าอกุศลก็เกิดขึ้นภายในจิตกันอย่างต่อนเนื่องกุศลแทรกขึ้นมาก็ได้แทรกไม่มากมันก็คล้ายๆกัสีนั้นเป็นสีดำมากแม้จะมีสีขาวอะไรแทรกเข้ามามันก็ไม่ปรากฏแก่กตาทันทนเราก็เรียกเป็นตัวคนว่าคนผ่าน คำถามคนผ่านเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจที่เป็นผ่านใจที่เป็นผ่านเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดจากการถูกปรุงด้วยอกุศลอย่างต่อเนื่องบัณฑิตมันก็มีลักษณะตรงกันข้ามอาการที่แสดงออกนั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากจิตที่ท่านคิดเป็นกุศลได้อย่างต่อเ น, นื่องและทําให้การพูดการทําของท่านซึงสืบเนื่องมาจากความคิดของท่านเป็นไปในทางสุจริต ดัง น, นเวลาพระเจ้าทรงสรุปคนพานกับบันดิตก็สรุปไว้เป็น3ามประโยคคนละสามประโยคเท่านั้นเองคนพานก็คือคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีบัณฑิตก็คือคนที่คิดดีพูดดีทดําดีที่จริงแล้วถ้ามองจากกิตาตนนาอุปัฏฐนาสติปัฏฐานเราจะเห็นว่าบัณฑิตก็คือกระแสจิตที่ไหลไปในสายกุศลคนพานก็คือกระแสจิตที่ไหลไปในสายอกุศลนั่นเองต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืนตต่อไป